คำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อที่จะได้รู้ว่าเราเป็นอะไรกันแนะถ้าเราไม่ได้ศึกษาไม่ได้ยินคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะคิดว่าเราเป็นร่างกายแล้วเราก็ต้องมาทุกข์มาวุ่นวาย กับการดูแลรักษาร่างกายและแม้ว่าเราจะดูแลรักษาร่างกายของเราให้ดีขนาดไหนเราก็ไม่สามารถที่จะรักษาให้มันอยู่ไปได้ตลอดรอดฟัง่งในที่สุดร่างกายของเราก็จะกลายเป็นขีเท่าคีฐานไป แล้วเราก็ต้องมีความทุกข์มีความวิตกมีความกังวลมีความหงหุดหงิไปกับร่างกายของเราแต่ถ้าเราได้มาศึกษาความจริงของร่างกายของพวกเราและตัวเราจากคำสั่งคำสอน ของพระพุทธเจ้าเราจะได้พบว่าร่างกายนี้ไม่ได้เป็นตัวเราเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นดวงวิญญาณที่มาเกาะติดกับร่างกายดวงวิญญาณที่ไม่มีวันแก่ไม่มีวันเจ็บไม่มีวันตาย ดวงวิญญาณไม่มีรูปร่างเหมือนกับร่างกายดวงวิญญาณเป็นผู้รู้ผู้คิดผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆดวงวิญญาณนี้เวลามาก็ติดกับร่างกายเราก็เปลี่ยนชื่อเป็นจิตใจเราเรียกจิตใจ ว่าเป็นผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆจิตใจคือผู้รู้ผู้คิดรู้ว่าต้องการอะไรพอรต้องการอะไรก็สั่งให้ร่างกายไปจัดการไปหามาผู้สั่งกับผู้รับคำสั่งนี้เราต้องเข้าใจว่าเป็นคนละคนกัน ผู้สั่งคือจิตใจเป็นนายผู้รับคำสั่งคือร่างกายเป็นบ่าวใจเป็นนายกายเป็นบ่าวนี่คือความสัมพันธ์ระหว่างใจกับร่างกายของทุกๆคนถ้าเราได้ยินได้ฟังว่าเราไม่ได้เป็นร่างกายเราจะรู้สึกโล่ง อ, อก สบายใจขึ้นไปเยอะเพราะเราจะได้ไม่ต้องมากังวลกับความเป็นความตายของร่างกายเพราะเรารู้ว่าเราไม่ได้เป็นอะไรไปกับร่างกายร่างกายแก่เราก็ไม่ได้แก่ไปกับร่างกายร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยไปกับร่างกาย ร่างกายตายเราก็ไม่ได้ตายกับร่างกายอันนี้คือสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้จากพระพุทธเจ้าและสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้อีกขั้นหนึ่งก็คือต้องรู้ว่าแล้วเราจะทําอย่างไรเราถึงจะไม่เดือดร้อนไปกับ ความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายตอนนี้ถึงแม้ว่าเราจะได้รู้ว่าเราไม่ได้เป็นร่างกายแล้วก็ตามแต่เรายังมีความผูกพันอยู่กับร่างกายนี้เราต้องเรียนรู้วิธีที่จะตัดความผูกพันตัดสัมพันธ์ํรรมิตีระหว่างร่างกายกับจิตใจ ให้ไม่ต้องมาคิดว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันตอนนี้ถึงแม้เราจะได้ยินได้ฟังว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราเราไม่ได้เป็นร่างกายแต่การเพียงแต่ได้ยินได้ฟังนี้ยังไม่ได้ไปแยกร่างกายออกจากจิตใจเป็นเหมือนสิบปากว่า ไม่เท่าหนึ่งตาเห็นเราอาจจะได้ยินได้ฟังเกี่ยวกับเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่ถ้าเรายังไม่ได้ไปเห็นเรื่องนั้นเรื่องนี้ด้วยตาของเราเองเราก็ยังเพียงแต่รู้ทางด้านความคิดเท่านั้นเองแต่ด้านทงความเป็นจริงเรายังไม่รู้ เราถึงต้องนำเอาคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติต่อเพื่อที่เราจะได้แยกใจออกจากร่างกายให้ได้เพราะถ้าเราแยกใจออกจากร่างกายได้ปล่อยวางร่างกายได้แล้วทีนี้ร่างกายเป็นอะไร จะไม่มาสร้างความสะเทือนใจให้กับใจใจจะรู้สึกเฉยเฉยไปกับความแก่ไปกับความเจ็บไข้ได้ป่วยไปกับความตายของร่างกายวิธีที่เราจะแยกใจออกจากร่างกายต้องก็คือเกิดจากการปฏิบัติธรรมนี่เองเ ก, การปฏิบัติธรรม ที่มีอยู่สามขั้นด้วยกันคือขั้นที่หนึ่งคือศีลขั้นที่สองคือสมาธิและขั้นที่สามคือปัญญาถ้าเรามีศีลมีสมาธิมีปัญญาเราก็จะมีกําลังที่จะแยกใจออกจากร่างกายได้ที่จะปล่อยวางร่างกายให้ร่างกาย เป็นไปตามเรื่องของเขาได้จะไม่วุ่นวายใจจะไม่กังวลใจจะไม่เดือดเนื้อร้อนใจกับความเป็นความตายของร่างกายแต่ถ้าเรายังไม่ปฏิบัตินี่เพียงแต่ได้ยินได้ฟังยังไม่มีกําลังพอที่จะแยกใจออกจากร่างกายได้ เราจึงต้องมาปฏิบัติทำกันธรรมที่จะแยกใจออกจากร่างกายได้คือสมาธิและปัญญาศีลนี้เป็นผู้สนับสนุนให้เกิดสมาธิและให้เกิดปัญญาถ้าไม่มีศีลจะไม่มีเวลามาฝึกสมาธิจะไม่มีเวลามาเจริญปัญญา เพื่อจะสอนใจให้ปล่อยวางร่างกายได้ดังนั้นก่อนที่เราจะไปปฏิบัติทำได้เราต้องรักษาศีลให้ได้ก่อนถ้ารักษาศีลยังไม่ได้เราก็จะไม่มีอะไรมาคอยยับยัง้งไม่ให้เราไปทำกิจกรรมอย่างอื่นกัน ตอนนี้พวกเรายังไม่ได้มาปฏิบัติธรรมกันก็เพราะพวกเรายังมัวไปทำกิจกรรมอย่างอื่นแทนกิจกรรมที่พวกเราทำกันก็คือการหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนั่นเองเพราะเราคิดว่านี่เป็นวิธี หาความสุขให้กับเราเราก็เลยทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการไปทำงานทำการเพื่อที่จะได้ราบได้ยศได้สรรเสริญแล้วก็ได้เอาเงินรายได้ที่เราได้มาไปซื้อความสุขทางตาหูจมูกินไกายไปดูไปฟังไปดื่มไปรับประทาน ไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆไปซื้อสิ่งต่างๆที่เราอยากได้มาแต่การกระทำเหล่านี้ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมื อ, อเราก็เลยแทนที่จะแยกใจออกจากร่างกายเรายิ่งไปผูกมัดใจให้ติดอยู่กับร่างกายเพราะเรา ต้องใช้ร่างกายต้องมีร่างกายที่สมบูรณ์ที่แข็งแรงแล้วก็เลยทำให้เราลืมว่าร่างกายนี้มันจะต้องแก่จะต้องเจ็บจะต้องตายเพราะช่วงที่เราใช้ร่างกายอยู่เป็นช่วงที่ร่างกายยังแข็งแรงยังเป็นหนุ่มเป็นสาวยังมีกำลังวังชา ที่จะทำอะไรต่างๆได้ที่จะหาความสุขต่างๆให้กับใจได้เราก็เลยลืมเรื่องความแก่เรื่องความเจ็บเรื่องความตายของร่างกายเราก็เลยใช้ร่างกายเป็นเหมือนตัวแทนของเราใช้ร่างกายไปหาราบยศสรรเสริญไปหาความสุขจาก รูปเสียงกลิ่นรสผลทพัต่างๆจึงทำให้เรากับใจนี้ใจกับร่างกายนี้มีความผูกมันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเลยเราเลยความสุขความทุกของเราเลยไปติดอยู่กับความสุขความทุกของทางร่างกายเราเลยต้องมาพยายามที่จะรักษาร่างกาย ให้มันสุขให้มีกำลังวังชาให้มีความสามารถที่จะไปหาความสุขต่างๆมาให้กับเราได้เราเลยไม่มีเวลาที่จะมาแยกใจออกจากร่างกายกันพอร่างกายเป็นอะไรขึ้นมาหน่อยนี้ใจเราเริ่มวุ่นวายขึ้นมาทันทีเริ่มหวั่นไหวขึ้นมาทันที เช่นช่วงนี้เราได้ยินข่าวเรื่องโรคระบาดไข้วัดระบาดเนี่ยเพียงแต่ได้ยินข่าวนี้เราก็ไม่สบายใจกันละคนที่จะเดินทางไปต่างประเทศนี่เปลี่ยนใจกันไปเยอะแยะไปเพราะไม่อยากจะไปเสี่ยงกับการไปติดโรคระบาดนี่ก็เพราะว่าเราคิดว่า เราจะเป็นอะไรไปกับร่างกายนั้นเองและเราก็ไม่อยากจะให้ร่างกายเป็นอะไรด้วยเพราะถ้าร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็จะไม่สามารถใช้ร่างกายไปหาความสุขเหมือนกับที่เราใช้อยู่กันในขณะนี้ได้จะไปเที่ยวก็ไปไม่ได้ยิ่งถ้าเป็นไข้หวัดนี้เขา อาจะกักเราให้อยู่ในบริเวณไม่ให้เราไปกระจายแพร่เชื้อหวัดให้กับคนอื่นอางนี้ใครติดหวัดนี่มักจะถูกกักไว้สิบสี่วันไม่ให้พบปะกับใครเราชีวิตของเราหาความสุขจากการพบปะกันสังสรรค์กันสมาคมกันทำกิจกรรมร่วมกัน พอเราถูกกักกันถูกห้ามไม่ให้ไปสังสรรค์ไม่ให้ไปสมาคมกับผู้อื่นเราก็เหมือนกับติดคุกติดตารางกันความทุกข์ของเราก็เลยปรากฏขึ้นมานี่เพียงแต่ร่างกายเป็นไข้ไม่สบายเท่านั้นเองอาจจะไม่ถึงกับตายรักษาไปสองสามอาทิตย์ ก็หายได้แต่นอกจากโรคนี้แล้วเราก็มีโรคอื่นๆที่จะคอยต้อนรับเราอยู่เมื่ออายุของเรามีเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นโรคที่เราไม่เคยคิดว่าเราจะเป็นมันก็มาเยี่ยมเยียนเราโรคของคนสูงอายุโรคทางหัวใจโรคทาง ความดันโรคทางเบาหวานโรคไตโรคตับแล้วก็โรคมะเร็งโรคหัวใจนี่เป็นโรคภัยต่างๆที่เขาเข้าคิวคอยต้อนรับเราคอยต้อนรับร่างกายซึ่งไม่ใช่เราแต่เนื่องจากเราไม่มีเวลาที่จะมาศึกษามาคอยสอนใจมาคอยเตือนใจ ให้รู้ว่าเราไม่ได้เป็นร่างกายและเราไม่ควรที่จะไปอาศัยร่างกายไปพึ่งร่างกายเพราะต่อไปเราจะพึ่งร่างกายไม่ได้ร่างกายมันจะต้องเข้าสู่ความชราเข้าสู่ความเจ็บไข้ได้ป่วยของคนชรา นี่คือทำไมเราจึงต้องมาหัดถือศีลกันเพราะการถือศีลนี้จะเหมือนกักกันเราไม่ให้เราไปสังคมเหมือนกันไม่ต้องอาศัยโรคหวัดมากักกันเราเราใช้ศีลมากักกันเราศีลที่ต้องใช้นี่คือต้องเป็นศีลแปดขึ้นไปนะไม่ใช่ศีลห้า ศีลห้านี้ย่างอนุญาตให้เราไปสังคมไปสังสรรค์กับเพื่อนฝูงได้ให้เราไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆได้แต่เราแต่ถ้าเราถือศีลแปดแล้วนี่เราจะถูกห้ามเหมือนเราจะถูกกักกันเราต้องไปกักกันตัวเราที่วัดต่างๆ มันเป็นสถานที่ของผู้ที่ถือศีลกันตั้งแต่ศีลแปดขึ้นไปศีล8ปศีลส0บศีล227ิศีลแปก็ญาติโยมผู้ครองเลอนอุบาสกอุบาสิกาศีลสิก็สา ม, มเนศีล227ก็ภก็พระภิกษุนี่คือที่เราจะต้องไปกักกันตัวเรา เพื่อที่เราจะได้มีเวลามาแยกใจออกจากร่างกายมาสอนใจไม่ให้ลืมว่าเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นใจนี่คือถ้าเราอยากที่จะแก้ปัญหาเกี่ยวกับทางร่างกายเราต้องแก้ด้วยวิธีที่พระพุทธเจ้าสอน ถ้าเราไปแก้ด้วยวิธีอื่นเช่นไปออกกำลังกายไปไปฟิตเนสไปทำโยคะโยอะไรต่างๆไปหาอาหารที่บริสุทธิ์สะอาดมากินปลอดสารพิษอะไรก็ตามหายาวิเศษต่างๆมากินมันก็ไม่ได้ไปห้ามความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายได้ ความเจ็บความตายของร่างกายมันก็มาอยู่ดีอาจจะมาช้าหน่อยถ้าเรารู้จักวิธีดูแลรักษาร่างกายให้มีสุขลักษณะมีสุขภาพที่ดีก็อาจจะช่วยชะลอความแก่ชะลอความเจ็บไข้ได้ป่วยชะลอความตายได้แต่มันก็เพียงแต่เพียงแ ต, แต่ชะลอมันเท่านั้นเอง เดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วมันมันก็จะโผล่ขึ้นมาอยู่ดีอันนี้พอมันโผล่ขึ้นมาความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆก็จะโผล่ขึ้นมาความไม่สบายใจเกี่ยวกับสุขภาพร่างของร่างกายมันก็จะโผล่ขึ้นมาความสุขที่เราเคยใช้ร่างกายไปหามันมันก็จะหายไป ว่าเราจะไม่สามารถใช้ร่างกายพาเราไปหาความสุขแบบตอนที่ร่างกายยังสมบูรณ์แข็งแรงอยู่นะนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นถ้าเราไม่มาเปลี่ยนวิธีดำเนินชีวิตนะถ้าเราไม่มา ดำเนินชีวิตตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราดําเนินกันเราก็จะเดินเข้าสู่ความทุกข์มากขึ้นไปเรื่อยๆแต่ถ้าเรามาดําเนินวิธีการดําเนินชีวิตแบบที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราดําเนินกันเราก็จะเดินห่างไกลจากความทุกข์ไปเรื่อยๆต่อไปถึงแม้ว่าร่างกายจะแก่ ร่างกายจะเจ็บหรือร่างกายจะตายใจของเราจะไม่เดือดร้อนเพราะอะไรเพราะเราแยกใจออกจากร่างกายได้เราจะเห็นร่างกายของเรานี้เป็นเหมือนร่างกายของคนอื่นเวลาเราเห็นร่างกายของคนอื่นเราเดือดร้อนไหมคนอื่นเขาเจ็บไข้ได้ป่วยตอนนี้เราได้ข่าวคนเจ็บไข้ได้ป่วยถูกกักตัวอยู่ เราไม่เดือดร้อนเพราะเราไม่ได้ถือว่าร่างกายของเขาเป็นเรานั่นเองต่อไปถ้าเราได้ปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรง ส, งสอนให้ปฏิบัติเราก็จะเห็นร่างกายของเราเป็นเหมือนร่างกายของคนอื่นร่างกายมันจะแก่เราก็ไม่ได้เดือดร้อนจะเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ไม่เดือดร้อนจะตายเราก็ไม่เดือดร้อน นี่คือสิ่งที่พวกเร า, เาควรจะกระทำกันถ้าเราไม่อยากที่จะต้องมาวุ่นวายใจไม่ต้องมาทุกข์ใจไม่สบายใจในช่วงปลายชีวิตของพวกเร า, เาช่วงที่เราแก่ช่วงที่เราเจ็บหรือช่วงที่เราตายกันเราจะ สุขสบายเหมือนกับตอนที่เราเป็นหนุ่มเป็นสาวร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายนี่จะไม่มาให้เราต้องสะเทือนใจเพราะเรามีสมาธิมีปัญญาคอยแยกใจของเราให้ออกจากร่างกายคือคอยสอนใจให้ปล่อยวางร่างกาย ไม่ให้ยึดไม่ไปยึดไปถือว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเราซึ่งความเป็นจริงมันก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเพียงแต่ว่าความหลงของเรามันหลอกให้เรามายึดมาถือว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเรานั่นเองเราเลยต้องอาศัยสมาธิปัญญาของพระพุทธเจ้ามาใช้แยกใจออกจากร่างกาย ถ้าเราไม่มีสมาธิไม่มีปัญญานถึงแม้เราจะได้ยินได้ฟังทำอยู่เรื่อยๆว่าใจกับร่างกายเป็นคนละคนกันก็ตามแต่ใจก็ยังไม่สามารถที่จะปล่อยวางร่างกายได้ยังไม่สามารถแยกใจออกจากร่างกายได้ยังต้องอาศัยร่างกายยังต้องผูกตนเองติดอยู่กับร่างกาย เพื่อจะได้ใช้ร่างกายไปหาความสุขต่างๆมาให้กับใจนั่นเองแต่ถ้าเรามาปฏิบัติสมาธิได้ขั้นที่ก่อนที่จะสัตปฏิบัติสมาธิได้เราก็ต้องถือศีลแปดให้ได้ก่อนเพื่อที่เราจะได้กักบริเวณไม่ให้เราออกไปใช้ร่างกายไปหาความสุขต่างๆ ศีลแปดนี้ห้ามไม่ให้เราใช้ร่างกายไปร่วมหลับนอนกับแฟนห้ามให้เราใช้ร่างกายไปหาความสุขจากการดื่มการรับประทานมากจนเกินไปถ้ายังอนุญาตให้ดื่มให้รับประทานได้แต่ดื่มรับประทานเพื่อเลี้ยงดูร่างกายซึ่งวันละมื้อก็พอหรือถ้าถ้าสองมื้อก็ไม่ให้เกินเที่ยงวันไปแล้วอ อยู่ได้ร่างกายไม่ตายถ้าถือศีลแปดแล้วตายจะไม่มีใครมาถือศีลแปดกันจนถึงบัดนี้มีคนถือศีลแปดมาตั้งแต่สมัยพระพุทธการสมัยพระพุทธเจ้านี้ก็มีคนถือศีลแปดมีคนถือศีลสิบมีคนถือศีลสองร้อยยิบเจ็ดอดข้าวเย็นกันไม่มีใครตายตายเหมือนกันแต่ก็ ตายไปตามวาระแต่ไม่ได้ตายเพราะถือศีลแปดไม่ต้องกลัวตายแล้วก็ไม่ทรมานความทรมานอยู่ที่ใจเราที่ไปอยากกินเท่านั้นเองแต่ร่างกายมันไม่ทรมานมันไม่เจ็บไข้ได้ป่วยจากการที่ไม่ได้กินข้าวเย็นนัเราก็ไม่ให้เราใช้ร่างกายไปเที่ยวนั่นเอง ไปตามสถานบันเทิงต่างๆตามโรงมหัศลพไปตามงานเลี้ยงงานสังสรรค์ต่างๆ ไ, ไม่ให้เราต้องเสียเวลากับการแต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหน้าทาปากทำเทผ้าทำผมเพื่อไปหาความสุขแบบขวัไฟหาความสุขเดียวๆจากการไปเที่ยวพอกลับมาบ้านมันก็หายไปหมดแนละ้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องไปเที่ยวใหม่ อความสุขที่ได้จากการไปเที่ยววันนี้มันหายไปหมดแล้วเดีย๋ยวพวกนี้ก็ต้องออกไปเที่ยวใหม่มันก็จะติดอยู่กับการต้องใช้ร่างกายแล้วก็ต้องสะดุดวันใดวันหนึ่งเวลาที่ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาพิกลพิการขึ้นมาทีนี้ก็จะเกิดปัญหาจิตใจก็จะวุ่นวายจิตใจก็อาจจะซึมเศร้า บางคนถ้าควบคุมไม่อยู่ก็อาจจะคิดฆ่าตัวตายกันเพราะเมื่อไม่สามารถอาศัยร่างกายพาไปหาความสุขต่างๆได้แล้วก็ไม่รู้จะอยู่ไปทำไมก็ฆ่าตัวตายดีกว่าแต่ฆ่าตัวตายมันก็ไม่ได้แก้ปัญหาระยะยาวมันอาจจะแก้ปัญหาระยะสั้นตายไปแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องไปเกิดใหม่ เพราะมันยังอยากใช้ร่างกายหาความสุขเหมือนเดิมอยู่แล้วพอได้ร่างกายอันใหม่มาก็กลับมาเริ่มต้นใหม่เหมือนเดิมแล้วถ้ามาเจออุปสรรคแบบเดิมอีกก็ฆ่าตัวตายอีกก็จะฆ่าตัวตายไปเรื่อยๆเพราะเป็นวิธีที่ใช้ในการแก้ปัญหา ท่านึังบอกว่าใครฆ่าตัวตายแล้วก็จะต้องกลับมาฆ่าตัวตายอีกฆ่าร้อยชาติเเพราะมันใช้วิธีเดียวกันมันเคยใช้วิธีไหนแก้ปัญหาพอเวลามีปัญหามันก็จะใช้วิธีนั้นแก้ปัญหาไปซึ่งก็ไม่มีวันสิ้นสุดเพราะการการการจะแก้ปัญหานี้ต้องแก้ปัญหาด้วยการเลิกใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือ อย่าใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขนะพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เรามาฝึกสมาธิเพื่อเราจะได้หาความสุขเอกรูปแบบหนึ่งความสุขที่ไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือแต่เราต้องกักร่างกายไว้ให้อยู่ในวัดให้ได้อย่าให้มันไปเพ่นพ่านอยู่ตามสถานบันเทิงตามสถานที่ท่องเที่ยวต่าง เราก็เลยต้องถือศีลแปดกันศีลแปดนี้จะห้ามไม่ให้เราใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขเพื่อที่เราจะได้มีเวลามาใช้สมาธิเป็นเครื่องมือหาความสุขให้กับใจเพราะถ้าเราสามารถนั่งสมาธิทำใจให้สงบแล้วเราจะได้ความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ ได้จากการใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือพระพุทธเจ้าบอกนัติสันติพาังสุขขังสุขที่เหนือสุขอื่นที่เหนือกว่าความสงบไม่มีสุขที่ได้จากความสงบนี้เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงรสแห่งธรรมชนะรสทั้งปวงนี่ก็คือรสของสมาธิถ้าเรามีเวลา เปลนเอาเวลาที่เราใช้กับการใช้ร่างกายไปหาความสุขเอาเปลี่ยนมาเป็นการหาความสุขจากการนั่งเฉยๆไม่ต้องใช้ร่างกายให้นั่งเฉยๆแล้วก็ทําใจให้นิ่งให้สงบไม่ให้คิดถึงเรื่องราวต่างๆ <c oughs> พอหยุดความคิดได้ใจก็จะนิ่งแล้วความสุขที่เราไม่คาดฝันมันก็จะโผล่ขึ้นมา ความสุขการวิเศษนี่มันอยู่ในตัวเราเป็นของเรามาต้องร่งนานแต่เราไม่เคยปัดฝุ่นออกมาใช้มันเลยเหมือนมีตะเกียงวิเศษอยู่ในบ้านนเราก็ไม่รู้ัดไม่รู้จักวิธีใช้มันก็เลยเก็บไว้ในห้องเก็บของนั่นนะเปิดดูทีไรก็ไม่รู้ว่ามันเป็นตะเกียงวิเศษจะใช้มันให้ในลมิตอะไรต่างๆให้กับเราก็ใช้ไม่เป็น ต้องมาเจอคนฉลาดคือพระพุทธเจ้านี่ที่รู้จักวิชีใช้ตะเกียงวิเศษวิธีใช้ให้ตะเกียงวิเศษนี้ผลิตความสุขต่างๆให้กับเราเ mm hmm. นี่นี่แหละเรามีความสุขอันเลิศอันประเสริฐอยู่ในตัวของเราเองแท้ๆแต่เรากลับไม่ไม่มาหามันเรากลับไปหาความสุขแบบควัญไฟ ความสุขที่จะต้องทำให้เราวุ่นวายใจอยู่ตลอดเวลาว่าเป็นความสุขที่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหากันนั่นเองไม่รู้ว่าเราสามารถหาความสุขอีกวิธีหนึ่งคือวิธีทำใจให้สงบใจของเราเนี่ยเป็นเหมือนตะเกียงวิเศษที่จะสามารถผลิตความสุขอันมหัศจรรย์ใจ ให้ปรากฏขึ้นมาในตัวของเราเองได้แต่เราไม่รู้จักวิธีที่จะทำให้ใจมันผลิตความสุขขึ้นมานี่เท่านั้นเองเหมือนกับมีตะเกียงวิเศษแต่ไม่รู้ว่าทำยังไงถึงจะสั่งให้ตะเกียงวิเศษนี้ทำอะไรตามคำสั่งของเราได้ถ้าวันาดวันหนึ่งเราเห็นว่ามันเก่าเราขยันเอามาขัดเอามาเช็ดอาจจะทำให้ตะเกียงวิเศษเริ่มทางานก็ได้ พอไปขัดตะเกียงเข้าตะเกียงก็เลยถูกปลุกขึ้นมาตัวที่อยู่ในตะเกียงก็จะออกม า, าแสดงตัวและพร้อมที่จะรับรับคำสั่งจากเราทันทีต้องการอะไรหามาได้ตะเกียงวิเศษจะจัดไปหามาให้เราเ คนบางคนก็อาจจะโชคดีซึ่งบางทีบางเวลาบางโอกาสไปอยู่เฉยๆอยู่คนเดียวแล้วก็ไม่ได้ไปคิดอะไรพอไม่ได้คิดอะไรตะเกียงวิเศษก็เริ่มทำงานขึ้นมาเกิดความสุขขึ้นมาแบบไม่เคยคาดฝันมาก่อนเอออยู่ดีๆเมื่อก่อนใจเราวุ่นวายกับเรื่องนั้นเรื่องนี้พอเราไปอยู่คนเดียว ไม่มีใครมายุ่งไม่มีใครอะไรไม่มีอะไรมาให้เราต้องคิดพอใจเราไม่คิดขึ้นมามันเกิดสงบขึ้นมาของมันเองมันทำให้ได้ค้นพบว่าเรามีของวิเศษอยู่ในตัวเราเรามีความสุขอันประเสริฐอันเลิศโลอันเลิศโลกมีอยู่ในใจของเรานี้เองเนี่ยพระพุทธเจ้านี่ท่าน เคยพบกับความสุขแบบนี้โดยโดยไม่ได้คาดฝันในสมัยที่ท่านเป็นเด็กตอนมีวันหนึ่งพวกคนรับใช้ที่คอยเฝ้าห้อมล้อมคอยถวายความสุขชนิดต่างๆให้กับเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะติดทุละต้องไปช่วยงานปล่อยให้เจ้าชายสิท ธ, ธัตถะนั่งอยู่ตามลำพังอยู่ภายใต้โคนไม้ แล้วพอไม่มีใครมาคอยชวนคุยชวนคิดชวนเล่นชวนทำอะไรใจที่ไม่เคยนิ่งก็นิ่งขึ้นมาโดยโดยโดยโดยธรรมชาติของมันอพอนิ่งปับ๊บพระองค์ก็บอกว่าเกิดความรู้สึกที่มีความสุขแบบไม่เคยพบมาก่อนอแต่เป็นเพียงชั่วระยะสั้น พอเดี๋ยวไม่นานพวกบรรดาผู้คนรับใช้ก็กลับมาคอยรับใช้มาคอยห้อมล้อมมาคอยถวายความสุขชนิดต่างๆใจก็เลยหายสงบไปอันนี้เป็นอันหนึ่งที่อาจจะทำให้พระพุทธเจ้านี้ตัดสินใจออกบวชต่อไปหลังจากที่ได้ไปเห็นอนาคตของร่างกายของตนแล้วว่า ต่อไปจะต้องกลายเป็นคนแก่กลายเป็นคนเจ็บกลายเป็นคนตายช่วงนั้นก็จะไม่สามารถที่จะใช้ร่างกายหาความสุขต่างๆได้อีกต่อไปเพระองค์ก็เลยคิดว่าน่าจะไปหาความสุขแบบที่เคยได้สัมผัสจากการอยู่คนเดียวดีกว่าก็เลยตัดสินใจไปบวชออกบวช เพื่อที่จะได้ไปอยู่คนเดียวเพื่อที่จะได้ไปทำใจให้สงบแล้วในที่สุดก็ได้ออกบวชเมื่อไปบวชก็ไปศึกษากับอาจารย์ที่สอนวิธีทำใจให้สงบวิธีนั่งสมาธิให้เข้าฌานขั้นต่างๆเข้ารูปฌานเข้าอารูปฌานเวลาใจเข้าฌาน ใจก็จะเริ่มสงบขึ้นไปตามลำดับขั้นของฌานแล้วก็จะสงบอย่างเต็มที่แล้วก็จะได้สัมผัสกับความสุขอย่างเต็มที่นี่คือสิ่งที่เราต้องทำกันถ้าเราอยากจะแก้ปัญหาที่พวกเรามีกันอยู่ทุกวันนี้ปัญหาคือเรื่องของร่างกายนี้เองเรื่องของร่างกายที่เราต้องอาศัย ใช้มันเป็นเครื่องมือหาความสุขต่างๆให้กับเราเราต้องมาเปลี่ยนวิธีหาความสุขกันอย่าหาความสุขโดยใช้ร่างกายมาหาความสุขจากการฝึกสมาธิทำใจให้สงบดีกว่าดังนั้นสิ่งที่เราต้องเริ่มทำกันก็คือลองมาหาความสุขแบบไม่ต้องใช้ร่างกายยัง สักอาทิตย์ละวันก่อนวันพระนี่พระพุทธเจ้ากําหนดไว้เพื่อให้เราเปลี่ยนวิธีหาความสุขกันวันวันพระพอดีตรงกับวันหยุดทํางานของชาวพุทธเราในสมัยก่อนชาวพุทธเราจะหยุดทํางานวันโกนวันพระกันแต่สมัยนี้เนื่องจากเราอยู่ในโลกาพิวัติเราอยู่ใน โลกที่เกี่ยวข้องกันกับประเทศต่างๆเราต้องทำธุรกิจทำมาค้าขายกับประเทศต่างๆซึ่งเขามีวันหยุดต่างกับเราเขาใช้วันหยุดให้ตรงกับสาวอาทิตย์เราเลยต้องเปลี่ยนวันหยุดมาเป็นวันเสาร์อาทิตย์วันพระก็เลยทำให้ไม่ได้เป็นวันหยุดไปพอถึงวันพระเราก็เลยไม่ได้เข้าวัดกัน เพราะเราต้องไปทำงานกันพอถึงวันหยุดของเราวันเสาร์อาทิตย์ก็ไม่เป็นวันพระเราก็ไม่เข้าวัดอีกเราก็เลยไปเที่ยวกันไปใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขกันยันสมัยนี้เราต้องปรับวันพระของเราใหม่อย่าไปถือวันพระตามปฏิทินที่เขากำหนดไว้ว่าวันขึ้นสิบแปดค่ำสิบห้าค่าเนี่ยเพราะมันไม่ตรงกับวันหยุดของเรา มันไม่ทันสมัยแล้ววันพระแบบโบราณเพราะว่าโบราณนี้เราใช้วันพระตรงกับวันหยุดนแต่ปัจจุบันนี้วันพระไม่ตรงกับวันหยุดซึ่งอาจจะตรงได้นานๆครั้งหนึ่งช่วงวันพรุ่งนี้เป็นวันอาทิตย์พอดีตรงกับวันพระเนี่ยแต่ก็แค่วันเดียวเดี๋ยวอาทิตย์หน้าวันพระก็เลื่อนไปเป็นวันจันทร์ละเฉนั้นเราก็ต้องมาปรับวันพระของเราใหม่ ให้มาตรงกับวันหยุดทํางานของเราเช่นวันนี้วันเสาร์วันอาทิตย์นี้ต้องถือว่าเป็นวันพระของพวกเราแล้วเราต้องเตรียมตัวเตรียมใจว่าวันพระนี้ไปอยู่วัดสักวันหนึ่งวันเสาร์วันอาทิตย์นี้ไปอยู่วัดสักวันหนึ่งไปถือศีลแปดสักวันหนึ่งเพื่อที่เราจะได้มีเวลามาฝึกนั่งสมาธิกันมาทําใจให้สงบกัน แล้วก็มาฟังเทศฟังธรรมมาศึกษาวิธีที่จะรักษาใจของเราให้สงบให้ให้ความสุขกับเราไปอย่างถาวรต่อไปด้วยปัญญา ừ, เพราะความสุขที่เราได้จากสมาธิยังเป็นความสุขชั่วคราวอยู่สุขตอนที่เรานั่งสมาธิพอออกจากสมาธิมาเดี๋ยวใจเราก็เริ่มคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ ก็เกิดความอยากขึ้นมาได้อาจจะอยากจะดูหนังฟังเพลงขึ้นมาก็ได้อาจอยากจะกินจะเดินอะไรขึ้นมาก็ได้ถ้าไม่มีศีลหรือถ้าไม่มีกำลังใจพอก็อาจจะลากลับบ้านก็ได้พอตกเย็นเริ่มหิวข้าวแล้วก็เลยวขอแค่ศีลห้าก็อพอขอกลับไปอยู่บ้านเนี่ยแต่ถ้าเรามีความตั้งใจที่แน่วแน่ว่วา เราต้องมาศึกษามาเปลี่ยนวิธีหาความสุขกันอย่าไปหาความสุขผ่านทางร่างกายเพราะต่อไปมันจะหาไม่ได้และมันอาจจะทำให้เราคิดฆ่าตัวตายกันอย่าตอนนี้เราต้องอดทนต้องพยายามฝืนความอยากต่างๆเพราะจากสมาธิก็ต้องคอยควบคุมความคิดอย่าปล่อยให้มันคิดนะ ใช้สติใช้การเจริญสติคือเช่นคำบริกรรมพุทโธพุทโธไปถ้าเราบริกรรมพุทโธพุทโธเราก็จะไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ได้ถ้าเราไม่คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้สิ่งนั้นสิ่ง น, น, ง น, น, ง น, น, งนี้ความอยากที่จะไปทำเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปเอาสิ่งนั้นสิ่งนี้มันก็ไม่เกิดมันก็จะทำให้เราเ อ, อ, อยู่วัดต่อไปได้ เพะนอกจากการนั่งสมาธิแล้วเวลาออกจากสมาธิมาเราก็ต้องคอยควบคุมความคิดไว้ด้วยการเจริญสติด้วยการเจริญกรรมฐานกรรมฐานก็คืออารมณ์ที่เราใช้ในการสร้างสติเช่นคําบาลิกามพุทโธนี่ก็เป็นกรรมฐานอย่างหนึ่ง การสวดมนต์ไหว้พระก็เป็นกรรมฐานอย่างหนึ่งเป็นการเจริญพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติเป็นเรื่องของการที่จะคอยควบคุมความคิดของเราไม่ให้คิดไปตามความอยากต่างๆเพราะถ้าคิดไปตามความอยากแล้วใจจะร้อนใจจะไม่สุขแล้วใจจะทนอยู่กับการไม่ได้ทําตามความอยากไม่ได้ เดี๋ยวก็จะต้องขอกลับบ้านไปนี่คือสิ่งที่เราจะต้องพยายามทำให้ได้การจะทำได้ไม่ได้ก็อยู่ที่ว่าเรามีความตั้งใจหรือไม่ถ้าเรามีความตั้งใจเราก็จะได้มีความพยายามทำมันตามความตั้งใจ และการที่จะมีความตั้งใจเราก็ต้องรู้ว่าทำไมเราต้องทำกันทำไมเราต้องมาอดข้าวเย็นกันทำไมต้องเราต้องมาอยู่วาดกันเพราะเราต้องการที่จะเลิกพึ่งร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขให้กับเราเพราะต่อไปร่างกายของเราจะเป็นที่พึ่งไม่ได้ต่อไปร่างกายเวลามันแก่เวลามันเจ็บเนี่เวลามันจะตายนี้เราพึ่งมันไม่ได้ จะอาศัยให้มันไปหาความสุขต่างๆเหมือนกับเมื่อก่อนนี้ไม่ได้แล้วเราต้องเปลี่ยนวิธีหาความสุขเหมือนกับเวลาที่เราเดินทางไปในทะเลนี่เวลาเราอยู่ในเรือนี่เรายังต้องคอยมีเรือชูชีพกันเรือสำรองไว้เกิดวันใดขึ้นใดเกิดเรือมันจะล่มขึ้นมาเราจะได้มี ที่พึ่งไม่ต้องไม่ต้องจมน้ำตายตามามีชู้ชีพก็ยังจะลอยคอในทะเลได้ถ้ามีเรือชู้ชีพก็อยู่ในเรือได้เรือถึงแม้จะใหญ่ขนาดไหนจะปลอดภัยขนาดไหนเขาก็ยังรู้ว่ามันยังมีโอกาสที่มันจะล่มจะจมได้เขาเลยต้องมีเรือสำรองมีชู้ชีพไว้ช่วยเหลือชีวิต ของผู้ที่อยู่บนเรือร่างกายของเราก็เป็นเหมือนเรือที่เราอาศัยมันอยู่ในขณะนี้แล้วร่างกายของเราเราก็รู้ว่ามันต่อไปมันจะต้องจมมันจะต้องล่มเอแล้วเราไม่รีบหาชู้ชีพเตรียมกันไว้เหลยแล้วตอนนั้นเราจะทําอะไรเราก็จะจมน้ําตายจมน้ําตายด้วยการฆ่าตัวตายเนี่ยหรือจมน้ําตายด้วยความซึมเศร้าด้วยความเหงาความว้าเหว แต่ถ้าเรามีวิธีใหม่ที่ไม่ต้องใช้ร่างกายผลิตความสุขต่างๆให้กับเราผลิตความสุขที่เกิดจากความสงบพอเวลาที่เราไม่สามารถใช้ร่างกายได้เราก็ใช้ความสงบนี้เป็นเครื่องมือให้ความสุขกับเราได้ เราก็จะไม่เดือดร้อนกับความเป็นความตายความแก่ความเจ็บของร่างกายเราจะไม่ต้องคิดค่าตัวตายกันเราจะไม่ซึมเศร้ากันเราจะไม่เหงาจะไม่ว้าเหวจะมีความเบิกบานสดชื่นเหมือนกับตอนที่เป็นหนุ่มเป็นสาวเพราะใจของเรามีความสุขเหมือนกับตอนที่เราเป็นหนุ่มเป็นสาวนั่นเองนี่คือเหตุผลที่เราจะต้องคิด ถ้าเราคิดแล้วมันจะทำให้เราเกิดความตั้งใจขึ้นมาว่าต่อไปนี้เราต้องมาหัดเปลี่ยนวิธีหาความสุขกันแล้วชีวิตเราใกล้บ้านลายเข้ามาอยู่อยู่เรื่อยๆและอาจจะไม่ถึงบ้านไายอาจจะเกิดอุบัติเหตุอาจจะเกิดติดเชื้อติดโรคระบาดขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ได้คนเราสมัยนี้ไม่จำเป็นจะต้องอแก่ก่อนเจ็บก่อนตาย สมัยนี้เจ็บก่อนแกก็มีตายก่อนแกก็มีเหนั้นเราอย่าประมาทเราตอนนี้มีโอกาสมีเวลาก็เพียงขอวันเดียวเท่านั้นเองมีเจ็ดวันนี้ขอวันเดียวให้หยุดการหาความสุขผ่านทางร่างกายเรามาหาความสุขทางใจกันโดยการมาถือศีลแปดแล้วมาหัดจเจริญกรรมฐานกันเดินจงกรม ทำอะไรต่างๆก็ให้มีสติอยู่กับงานที่เราทำก็ได้ถ้าเรามีสติคอยเฝ้าดูว่าเรากำลังทำอะไรอยู่เราก็จะไม่ไปคิดถึงเรื่องอื่นได้สังเกตดูเวลาเราทำงานนี่เรามักจะไม่คิดถึงเรื่องอื่นกันนะเรามีสติอยู่กับการทำงานอย่างเดียวแต่พอเวลาไหนเราว่างตอนนั้นมันถึงจะเริ่มไปคิดถึงเรื่องอื่นมา นี้เวลาเรามาอยู่วัดเราไม่มีงานทำเราก็เลยต้องใช้งานที่เราทำกับร่างกายของเราเช่นเดินยืนนั่งนอนอาบน้ำอาบน้ำอาบท่าล้างหน้าแปรงฟันแต่งเนื้อแปรงตัวรับประทานอาหารกวาดถูเช็ดทำความสะอาดทำอะไรต่างๆเราก็มีสติอยู่กับการทำงานเหล่านั้นมันก็จะดึงใจของเราไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆได้ แต่ถ้ามันไม่ยอมอยู่เราก็ต้องใช้พุทโธดึงมันมาอย่าให้มันไปอย่าให้มันไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ให้มันคิดอยู่แต่พุทโธพุทโธพุทโธไปเอาตั้งแต่ตื่นเช้าขึ้นมาเลยพุทโธไปอาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันกับพุทโธไปแต่งเนื้อแต่งตัวรับประทานอาหารก็พุทโธไปออกเดินทางไปวัดกับพุทโธพุทโธไป พอไปถึงวัดก็พุทธโธไปเรื่อยๆนะแล้วพอถึงเวลานั่งเราก็จะได้มีกำลังที่จะหยุดความคิดได้ถ้าเราไม่มีพุทธโธมาก่อนมานั่งเวลานั่งมาเริ่มพุทธโธนี้มันช้าเกินไปสายเกินไปนั่งไปเท่าไหร่ก็ไม่สงบนั่งแล้วมันก็คิดเรื่องนั่นเรื่องนี้เหมือนที่มันเคยคิดอยู่ เราต้องพยายามหยุดความคิดด้วยพุโทโธก่อนที่เราจะมานั่งด้วยอย่างน้อยทำให้มันน้อยลงไปเบาบางลงไปพอเวลาเรามานั่งมันจะได้ไม่ยากนั่งเดียวเดียวพุโทโธเดียวเดียวใจก็นิ่งใจก็จะสงบได้พอใจนิ่งใจสงบแล้วทีนี้ก็จะเกิดความสุขใจขึ้นมาทีนี้จะไม่อยากกลับบ้านแล้ว ตาได้พบกับความสุขที่เกิดจากความสงบนน่เมื่อเปรียบเทียบกับความสุขที่ได้จากการอยู่บ้านหรือการไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆมันเทียบกันไม่ได้เหมือนเหมือนฟ้ากับดินพอได้ความสุขที่เกิดจากความสงบแล้วทีนี้อยากติดใจแล้วสิทีนี้อยากจะกลับมาอยู่วัดอยู่เรื่อยๆ ต่อไปก็อาจจะเพิ่มจากวันหนึ่งเป็นสองวัน เ, ออเรามีวันหยุดสองวันทำไมมาวัดแค่วันเดียวมาอยู่สองวันเลยดีกว่าออจะได้เพิ่มความสุขทางใจให้มีเพิ่มมากขึ้นออแล้วต่อไปเราก็คิดว่าความสุขทางนี้มันดีกว่าความสุขทางร่างกายเราไปหาความสุขทางร่างกายทำไมเราเลิกหาดีกว่าหรือใช้ หามันน้อยลงเมื่อเราหาความสุขทางร่างกายน้อยลงเงินทองที่จะต้องหามากก็ไม่ต้องหามากลดลดการหาเงินทองได้ลดวันทำงานให้น้อยลงได้แทนที่จะทำงานห้าวันต่ออาทิตย์ก็อาจจะเหลือสี่วันเหลือสามวันก็ทำให้เรามีเวลาที่จะมาวัดได้เพิ่มมากขึ้นมาอยู่ที่ราวสามวันบ้างห้าวันบ้าง พอทําไปยิ่งได้ความสุขทางใจมากเท่าไหร่ยิ่งมีความมั่นใจยิ่งมีความยินดีที่จะหาความสุขทางใจเพิ่มมากขึ้นเพราะเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ช้าก็เร็วก็จะอาศัยมันไม่ได้นะในที่สุดก็อาจจะตัดสินใจไปบวชซะเลยไปอยู่วัดประจําเลยเพื่อที่จะได้มีเวลาหาความสุขได้ตลอดเวลา หาความสุขได้ทุกวันตั้งแต่เช้าตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนถึงเวลาหลับเพราะที่วัดนี้เขามีไว้สาหรับให้เรามาหาความสุขทางใจนี้เพียงอย่างเดียวที่วัดจึงไม่มีทีวีไม่มีเครื่องบรรเทิงต่างๆไม่มีมห์รสบไม่มีการมีไม่มีการจัดงานเลี้ยงอะไรต่างๆมีแต่ให้มาฝึกสมาธิฝึกสติ สำหรับผู้เริ่มต้นแลายังไม่ทำเองไม่ได้ก็ให้มาเข้าวัดเข้าโบทกันก่อนเช้าเย็นมาหัดไหว้พระสวดมนต์ซึ่งเป็นการฝึกสติพอสวดมนต์เสร็จก็ให้ลองนั่งสมาธิต่อสักยี่สิบนาทีไปแบบนี้ก่อนพอเริ่มมีสติเริ่มมี ความสามารถที่จะนั่งสมาธิได้ต่อไปก็ให้แยกไปปฏิบัติตามลำพังเพราะการปฏิบัติตามลำพังจะได้ความสงบมากกว่าเพราะจะไม่ต้องมามีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นเพราะเวลามารวมกันก็ยังต้องมาคอยกังวลกันมาคอยทักทายกันมาอะไรกันอยู่แต่ถ้าอยู่คนเดียวแล้วก็ไม่ต้องไปคอยกังวลไม่ต้องไปพูดไปคุยอะไรกับใคร ก็จะสามารถเจรานสติได้เพิ่มมากขึ้นได้นั่งสมาธิได้นานขึ้นได้ความสงบที่มากขึ้นไปตามลำดับนี่นี้คือการที่เราจะเข้าสู่การเปลี่ยนวิธีหาความสุขแบบใหม่เราไม่ต้องทำแบบทันทีทันใดทำแบบเต็มร้อยตัดสินใจว่าวันนี้ฟังทำแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปลางงานไปบวชเลย ถ้าทำได้ก็ถือว่าเก่งถือว่าดีถือว่ามีมีความสามารถสูงที่จะสามารถละทางโลกไปได้เพื่อไปหาความสุขทางธรรมเพราะอาจจะเห็นได้ด้วยปัญญาว่าทางโลกนี้เป็นทางตันทางไปสู่ความความทุกข์ความเศร้าทางธรรมนี้เป็นทางนาไปสู่ความสุขทางนำไปสู่อิจราภาพ การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายบางคนพอฟังธรรมแล้วก็อาจจะตัดสินใจออกบวชได้ก็มีในสมัยพุทธกาลมีตัวอย่างหลายคนพอได้ยินได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าแม้เพียงประโยคสั้นๆก็เกิดความประทับใจ <c oughs> เกิดปัญญารู้ว่าจะต้องทำอย่างไรก็ขออนุญาตไปบวชเลยนี่แต่ถ้า ฟังแล้วยังไม่เกิดความศรัทธาอยากจะบวชก็ต้องพยายามฟังบ่อยๆศึกษาบ่อยๆให้เห็นโทษของการอยู่แบบที่เราอยู่กันในขณะนี้ว่าเรากําลังรอให้ระเบิดเวลามันระเบิดใส่เราเนีร่างกายเรามันมีระเบิดเวลาคือความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยมันเป็นเหมือนลูกระเบิดเดี๋ยวถึงเวลามันก็จะระเบิดใส่ร่างกาย แล้วมันก็จะไปสะเทือนใจเพราะเมื่อร่างกายแก่ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยร่างกายไม่สามารถหาความสุขได้ใจก็จะไม่มีความสุขใจก็จะกลายเป็นใจที่เศร้าหมองใจที่อับเฉาใจที่ว้าเหวใจที่ซึมเศร้าไม่มีชีวิตชีวาไม่มีความสุขสดชื่นเนบิกบาน เหมือนตอนที่ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นี่คือสิ่งที่เราจะต้องหมั่นคิดอยู่เรื่อยๆยพระพุทธเจ้าสอนชาวพุทธเราให้หมั่นระลึกอยู่เรื่อยๆว่าเกิดมาแล้วจะต้องเจอความแก่เป็นธรรมดาล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้ต้องเจอความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาล่วงพ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยไปไม่ได้ ต้องพบกับความตายเป็นธรรมดาลงพ้นความตายไปไม่ได้ต้องพัดภากจากกันเป็นธรรมดาลวงพ้นจากการพัดภากจากกันไปไม่ได้ที่ให้คิดเหล่านี้เพื่อให้เรารู้ว่าเรามีระเบิดเวลาที่จะระเบิดใส่เราคือความแก่ความเจ็บความตายการพัดภากจากกันถ้าเรารู้ว่ามีระเบิดเราจะได้เตรียมไปหาเกราะมาป้องกัน ถึงแม้จะระเบิดระเบิดมันก็จะไม่มากระทบกระเทือนใจเกราะป้องกันของใจก็คือเนี่ยการทําใจหาการหาความสุขผ่านทางทางศีลสมาธิปัญญาแทนที่จะไปหาความสุขผ่านทางร่างกายเราต้องมาเปลี่ยนวิธีหาความสุขจากการใช้ร่างกายพาเราไปหาความสุขต่างๆ มาใช้ศีลสมาธิเป็นเครื่องมือหาความสุขให้กับเราเราต่อไปพอเราใช้ศีลสมาธิปัญญาเป็นเราก็สามารถมีความสุขได้ตลอดเวลาพระพุทธเจ้าพระหลานตสาวกนี่ท่านเป็นตัวอย่างให้เราดูว่าเนี่ยท่านใช้ศีลสมาธิปัญญาผลิตความสุขให้กับตนเอง ผลิตบรมมสุขนิบานังบรลมังสุขขังเนี่ยความสุขของพระนิพพานคืออะไรก็คือความสงบที่ถาวรเราเรียกว่านิพพานความสุขที่สงบแบบชั่วคราวเราเรียกว่าสมาธิขั้นต้นก่อนจะไปถึงความสุขแบบถาวรได้ความสงบแบบถาวรได้เราต้องผ่านเราต้องสร้างความสงบแบบชั่วคราวก่อนคือทางสมาธิ เมืจิตให้สงบพอจิตสงบแล้วเวลาออกจากสมาธิมาพอมันจะไม่สงบเราก็ใช้ปัญญามาทําให้มันสงบเพราะปัญญาจะรู้ว่าทําไมจิตถึงไม่สงบจิตไม่สงบเพราะจิตไปคิดตามความอยากต่างๆพอเกิดความอยากความสงบก็จะหายไปใจก็จะขับเพิ่มขึ้นมาถ้าปีปัญญาปัญญาก็จะสอนว่า อย่าไปหาความสุขผ่านทางร่างกายเพราะเดี๋ยวจะต้องเจอความทุกข์เดี๋ยวจะต้องเจอระเบิดเวลามีกับระเบิดอยู่ข้างหน้าถ้าไปทางร่างกายพอเห็นว่ามีกับระเบิดก็ไม่ไปดีกว่า<ม>ก็หยุดความอยากที่จะไปหาความสุขผ่านทางร่างกายได้ต่อไปก็เลิกไม่เลิกหาความสุขผ่านทางร่างกายอันนี้ต้องใช้ปัญญาถึงจะเห็นเห็นว่าการไปหาความสุข โดยใช้ร่างกายเพื่อไปดูไปฟังไปดื่มไปรับประทานหรือไปทำอะไรต่างๆด้วยร่างกายนี้เดี๋ยวจะต้องโดนกับระเบิดไม่ช้าก็เร็วจะต้องทุกข์จะต้องเศร้าโศกเสียใจพอเห็นด้วยปัญญาความอยากที่เคยดึงให้ใจไปหาก็จะหายไปหมด พอไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ในใจก็จะไม่มีอะไรมาทําลายความสงบที่ได้จากสมาธิความสงบที่ได้จากสมาธิก็จะกลายเป็นความสงบของพันิพานไปเนี่ยพันิพานก็คือใจที่ได้กําจัดความอยากต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจแล้วนั่นเองพอไม่มีความอยากแล้วใจก็จะสงบไปตลอดเวลา24ชั่วโมง ร่างกายจะเป็นอะไรไม่เป็นอะไรจะมีร่างกายแล้วไม่มีร่างกายมันไม่เกี่ยวกับจิตใจและคนละเรื่องกันเนี่ยใจของพระพุทธเจ้าใจขอ ง, ของพระหลั่งตสาวกเนี่ยนับตั้งแต่วันที่ท่านได้บรรลุพระนิพพานา น, นี้ใจของท่านสงบมาจนถึงปัจจุบันนี้ใจท่านไม่ได้หายไปไหนใจของท่านก็อยู่เหมือนกับใจของพวกเราต่างกันตรงที่ใจของท่านไม่ต้องใช้ร่างกาย ส่วนใจของพวกเรานี้ระยะเวลาสองพันปีกว่าผ่านมานี่ไม่รู้กลับมาเกิดกี่ครั้งแล้วหรือถ้าไม่ได้กลับมาเกิดก็ไปติดอยู่ที่ไหนบ้างก็ไม่รู้ไปติดอยู่ในบายหรือเปล่าไปเป็นสัตว์ในราฉาหรือเปล่าไปเป็นเปรดหรือเปล่าไปนรกหรือเปล่าหรือไปสวรรค์เมันเป็นที่ที่ใจของพวกเราจะไปติดเนื่องจากบุญหรือบาปที่เราทาไว้เนี่ยเป็นตัวที่จะพาให้เราไปติด แล้วพอหลุดจากสวรรค์หรือหลุดจากกบายก็พาให้เรากลับมาเกิดใหม่แล้วก็มาทุกมาวุ่นวายใจอย่างที่เราวุ่นวายใจกันอยู่ อ, อย่างตอนนี้แต่ใจของพระพุทธเจ้าใจของพระอรหันตลอดระยะเวลาสองพันห้าร้อยกว่าปีที่ผ่านมานี้สงบเหมือนเดิมสุขเหมือนเดิมปรมังสุขขังเหมือนเดิมอยู่ตลอดเวลานี่แหละคือประโยชน์ที่เราจะได้รับเนะี่ยถ้าเรามา ศึกษาธรรมะคาสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วรู้ว่าเราจะต้องมีการเปลี่ยนวิธีหาความสุขเราก็เริ่มมาหัดกันไม่จําเป็นจะต้องทําแบบหัวภาพทําแบบแบบผักดิบเหมือนคนเลิกบุหรี่แล้วเลิกสุราหัดลดมันไปวันละนิดวันละหน่อยก่อนอาทิตย์ละวันก่อนค่อยหาความสุขทางร่างกายเจ็ดวันก็ลดเหลือหกวัน เอาวันหนึ่งมาหาความสุขทางใจแล้วพอเราทำได้ผลดีเราก็อยากจะทำเพิ่มขึ้นไปเองก็จะเพิ่มจากวันเป็นสองวันหาความสุขทางร่างกายก็ลดน้อยลงไปจากเจ็ดวันก็เหลือหกวันเหลือห้าวันทางธรรมมากขึ้นทางโลกก็จะน้อยลงไปแล้วต่อไปเดี๋ยวก็จะเป็นเหมือนพระพุทธเจ้าเหมือนพระสาวกก็จะไป ไปหาความสุขทางใจแบบเต็มร้อยกันนะพอหาความสุขทางใจแบบเต็มร้อยผลคือความสุขเต็มร้อยก็จะปรากฏขึ้นมาเป็นนิบบานังปรามังสุขขังขึ้นมาก็จะมีความสุขตลอดเวลาไม่ต้องอาศัยร่างกายไม่ต้องใช้ร่างกายไม่ต้องมาทุกข์มากังวลกับร่างกายอีกต่อไปร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายก็ไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใด มีร่างกายหรือไม่มีร่างกายก็ไม่มีปัญหาใจก็ยังมีบรลมัสุขอยู่ตลอดเวลา น, นี่แหละคือสิ่งที่เรามาวัดกันก็เพื่อมาศึกษามาเรียนรู้ความจริงของตัวเราว่าเราเป็นอะไรกันและเราควรจะทำอย่างไรเพื่อที่จะทำให้เรามีแต่ความสุขตลอดเวลาก็เป็นเรื่องที่จะขออามาฝากไว้เพียงเท่านี้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 อิติต่างปฏิต่างตุมหังคิปเมวาสมิตจตุสะเพปเรนตุสรังกปาจันโทปันาราโสยธามณิโชติอาราโสยธาสัพิติโยวิวัชจันโตสัพารุโขวินัสสตุ มาเตผวะตวันตราโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนสีลิสานิจังวุฒาปจายโนจตารุธรมมวาทานติอายุวโนสุขังภาลัง ช่วงต่อไปนี้เป็นช่วงถามคําถามใครมีคําถามอยากจะถามขอเชิญถามได้ในช่วงนี้ช่วงเดียวเพราะหลังจากเลิกแล้วจะไม่สะดวกที่จะตอบคําถามเพราะต้องทํางานอย่างอื่นต่อนั้นถ้าอยากจะถามอะไรถามในช่วงนี้ถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้ผู้ติด ต, ตามทางบ้านมีเท่าไหร่ เจ้าค่ะทางเฟซบุ๊กห้าร้อยสิบเก้ายูทูสามร้อยสิบสามวิทออนไลน์สิบสองรับฟังบนเขาหนึ่งร้อยี่สิบหกลมทั้งสิ้นเก้ารอยเจ็สิบท่านเจ้าค่ะอยากสอบถามว่าเวลาที่เราสวดมนั่นเจ้าค่ะคือเราควรจะแบบเหมือนเพ่งอยู่ที่ เหมือนกำหนดอยู่ที่เสียงที่เราไปงอกไปหรือว่าเราควรจะคิดถึงแบบคำแปลของของบทสวดนะคะมันไปด้วยกันก็ให้ต้องอยู่กับบทสวดกันแล้วกันอย่าให้ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้คิด นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตให้อยู่กับบทสวดไปจะเป็นความคิดหรือเป็นเสียงก็เหมือนกันเพราะมันต้องคิดก่อนถึงจะพูดออกมาถึงจะมาทางเสียงได้ถ้าเราอยู่ที่เสียงก็ได้อยู่ที่ความคิดก็ได้ได้ทั้งสองอย่างแต่อย่าไปคิดเรื่องอื่นอย่าไปคิดถึงคนนั้นคนนี้วลังที่เราสวดไปให้มันอยู่กับเรื่องสวดเพียงเรื่องเดียว แล้วใจเราจะว่างจะเย็นจะสบายเพราะเราจะไม่ไปคิดถึงเรื่องวุ่นวายใจต่างๆ น, นี่คือประโยชน์ของการสวดมนต์เพื่อระงับความฟุ้งซ่านระงับความเครียดที่เกิดจากความคิดปรุงแต่งของเราพอเราเอาใจมาคิดในทางบทสวดมนต์มันก็เลยไปคิดปรุงแต่งเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้อารมณ์ต่างๆก็เกิดขึ้นมาไม่ได้ใจก็จะว่างจากอารมณ์ ใจก็จะเบาเหมือนยกภูเขาออกจากอกเที่เราหนักอกหนักใจเพราะอะไรเพราะเราไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วก็เลยทําให้เราหนักอกหนักใจพอเรามาสวดมนต์สักพักลืมเรื่องที่เราคิดความหนักอกหนักใจมันก็หายไปชั่วคราวอันนี้คือการประโยชน์ของการสวดมนต์ทำให้ใจเราเบาเราว่างเย็นสบายแล้วทําให้เราพร้อมที่จะนั่งสมาธิต่ตอได้ พอสวดมนต์เสร็จลองนั่งหลับตาแล้วก็ดูลมหายใจเข้าออกต่อเดี๋ยนวะถ้าดูได้เดี๋ยวใจก็ยิ่งสงบมากขึ้นยิ่งมีความสุขมากขึ้นยิ่งเบาขึ้นยิ่งสบายขึ้นนะการสวดมนต์นี้ไม่ได้เป็นจุดสุดท้ายเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างความสงบสร้างความสุขสวดมนต์ลแล้วเราก็นั่งสมาธิต่ออย่าเลิกหลังจากสวดมนต์เสร็จแล้วอย่าเพิ่งเลิกลองนั่งสมาธิต่อกัน จะดูลมหายใจก็ได้หรือจะท่องพุทธโธพุทธโธไปก็ได้คำถามต่อไปจากคุณเพชรน้ำหนึ่งเจ้าค่ะถ้าเราอธิบายธรรมะที่ยกเอาคำสอนพระพุทธเจ้ามาพูดแต่คนที่รับฟังกลับออกอาการและประมาทในคำพูดและกล่าวตัวแย้งไปในทางของเขาโดยที่เขาจะมุ่งเอาชนะอย่างเดียวโดยไม่คำนึงถึงธรรมะเลยเราควรที่จะบอกเขาหรือปล่อยเขาไปครับ เราก็ควรจะหยุดเนี่ยเหมือนกันเราให้เงินเขาแล้วเขาปฏิเสธเขาไม่ยอมรับเงินของเราเราก็เก็บไว้ให้คนอื่นที่เขายินดีที่จะรับเงินของเราคําถามที่สองค่ะ<ม>การเข้าวัดฟังธรรมะจําศีลหลายปีแต่ไม่ค่อยน้อมนํามาปฏิบัติเพราะมีภารกิจทางบ้านกลับมีอารมณ์โกรธด่ากับบุคคลอื่นบ้างพอเวลาออกจาก การจําศีลถามว่าควรแก้ไขอย่างไรให้ใจปกติครับก็ต้องพยายามทําต่อไม่ใช่ทําแต่เฉพาะเวลาอยู่ที่วัดเพราะออกจากวัดมาก็ต้องพยายามรักษาสติให้มีต่อไปพยายามรักษาศีลให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะรักษาได้พยายามทําใจให้สงบให้ว่างให้เย็น ไบต่อไม่ใช่ทำแต่เฉพาะที่วัดเท่านั้นอพอออกมาจากวัดก็เลิกทำมันก็ไม่เกิดประโยชน์มันก็เกิดประโยชน์นิดเดียวเกิดประโยชน์ช่วงที่อยู่ในวัดเท่านั้นเองแต่ความจริงเราสามารถเอามาใช้ต่อได้หลังจากที่เราออกจากวัดมาแล้วคำถามที่สามค่ะ จิตใจที่ดื้อดึงไม่ค่อยรับฟังใครฟังแต่ความเห็นตนเองควรที่จะกำรับใจประเภทนี้อย่างไรครับก็ลองไปหาที่น่ากลัวอยู่ไปที่มีผีมีเสือเนี่ยมันจะกลัวแล้วมันจะบอกให้มันพุทธโทมันก็จะพุทธโทมันจะไม่ดือ้อ <laughs> แต่ถ้าอยู่ที่ปลอดภัยมันไม่ยอมพุโทโธพุโทโธมันจะเถียงอยู่เรื่อยๆถ้าเราอยู่ที่ไหนที่น่ากลัวนี้มันไม่กล้าคิดเรื่องอะไรแล้วมันอยากจะพุโทโธพุโทโธสวดมนต์อย่างเดียวเพือใจจะได้สงบหายพุ้งหายเครียดหายทุกข์คำถามที่สี่ค่ะเมื่อเร่งความเขียนเข้าความคิดภายนอกหมดแต่อยู่กับพุโทโธทั้งวัน คืนแม้การกินดื่มนั่งนอนแม้แต่ดูสิ่งต่างๆในโลกฟังเพลงต่างๆมันก็บริกรรมพอวางจากอารมณ์เหล่านี้แล้วก็เข้าหาคำบริกรรมพุโทโธแต่รู้สึกว่าตัวเองเหนื่อยและปวดหัวมากอยากหยุดความเพียควรทำอย่างไรครับไม่ควรหยุดความเพียควรจะหยุด <c oughs> การฟังเพลงการทำอะไรต่างๆดีกว่าเพราะถ้าทำสองอย่างมันก็ชนกันมันก็ ชักก็เยอะกันมันก็เลยทำให้เครียดขึ้นม า, างั้นคนจะเลอกทาอย่างเดียวดีกว่าถ้าเราจะพูดโทรเราก็เอาแต่พูดโทรเราอย่าไปฟังเพลงอย่าไปดูหนังพร้อมกันแล้วก็พูดโทไปงั้นถ้าอยากจะเอาทางความสงบก็ต้องทิ้งความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไปคำถามจากคุณบุษราคำเจ้าค่ะ ขอความเมตตาพระอาจารย์อธิบายคําว่ามรสีผลสีพระนิพพานหนึ่งด้วยค่ะคือขั้นบุพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนี้แบ่งไว้เป็นสี่ขั้นด้วยกันขั้นที่หนึ่งขั้นพระโสดาบันขั้นที่สองพระสกิดาคามีขั้นที่สามพระอนาคามีขั้นที่สี่พระอาหารหันต์แต่ละขั้นนี้ก็เป็นเหมือนชั้นของอตัวขาาร การที่จะขึ้นไปสู่ชั้นต่างๆได้เราต้องใช้บันไดต้องเดินขึ้นบันไดหรือใช้ลิฟต์ถึงอยาขึ้นไปสู่ชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองชั้นที่สามชั้นที่สี่ได้มรรคนี้ก็คือบันไดบันไดที่จะพาให้เราไปสู่ทำขั้นต่างๆมรรคผลจึงมาเป็นคู่ผลก็คือการไปถึงชั้นที่เราต้องการจะขึ้นไป มร ก, ก็คือบันไดที่เราจะต้องเดินขึ้นนี่ถึงมาถึงมาเป็นมร ก, กับผลมร ก, ก็คือบันไดผลก็คือชั้นที่เราจะเดินไปถึงการปฏิบัติของแต่ละชั้นก็ต้องเจริญมรมร ก, ก็คือศีลสมาธิปัญญาของชั้นนั้นถ้าเจริญมรของชั้นที่หนึ่งได้ก็จะขึ้นไปถึงชั้นที่หนึ่งได้ พอถึงชั้นที่หนึ่งก็ต้องไปเจริญสีนสมาธิและปัญญาของชั้นที่สองต่อไปปัญญาจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่สีนสมาธินี้จะเหมือนกันศีนสมาธิของชั้นที่หนึ่งสองสา ม, ส, ามสี่นี้เป็นศีนสมาธิอันเดียวกันแต่ปัญญาของชั้นที่หนึ่งสองสา ม, ส, ามสี่นี้คนละคนละอย่างกันเพราะเป็นข้อสอบหรือเป็นคําถามคนละข้อกันที่เราจะต้องสอบตอบคําถามนั้นให้ได้ พอเราได้ขั้นที่สีแล้วเราก็จะได้ไปถึงพระนิพพานต่อไปต่อไปคำถามจากคุณอชราเจ้าค่ะถือศีลแต่ใจมีอกุศลศีลเสื่อมไหมคะถ้ายังไม่ได้ทำผิดศีลก็ยังไม่เสื่อมจะละอกุศลได้ก็ต้องใช้การเจริญสติแนละปัญญาสติพอคิดไม่ดีก็พุโทโธพุโทโธไปอย่าปล่อยให้มันคิด แล้วพอมันหยุดคิดก็สอนว่าต่อไปเราอยากคิดอย่างนี้คิดแบบนี้แล้วมันจะทำให้เราไปทำผิดผิดศีลต่อไปได้อันนี้ก็ใช้ปัญญาคอยเตือนใจแล้วต่อไปมันก็จะเลิกคิดไปทางอกุศลได้คำถามที่สองค่ะโซดาบัานลักษณะเป็นแบบไหนคะแบบเบาๆคะ่ะมีกี่ชั้นคะ พระโสดาบันก็จะไม่ต้องมาทุกข์กังวลกับเรื่องของร่างกายพระโสดาบันจะเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราก็จะเห็นร่างกายเหมือนร่างกายของคนอื่นร่างกายของคนอื่นเป็นอย่างไรร่างกายของเราก็เป็นอย่างนั้น ร่างกายของอื่นเขาแก่เราไม่เดือดร้อนเขาเจ็บเราไม่เดือดร้อนเขาตายเราไม่เดือดร้อนชั้นใดร่างกายของเราที่เราถือว่าเป็นเราก็เราก็จะไม่เดือดร้อนกับมันอันนี้คือผลของพระโสดาบันงานได้เป็นพระโสดาบันคำสักคำถามที่สาเจ้าค่ะได้ยินคนสวดมนต์แต่เขายังทำบาเปเบียดเบีย น, ยนทั้งวาจาเขาจะได้บุญไหมเจ้าค่ะ ทั้งเขาทาบุญเขาก็ได้บุญบาปเขาทำเขาก็ได้บาปมันเป็นคนละบัญชีกันมันไม่มาลบล้างกันทําบุญก็ได้บุญทําบาปก็ได้บาปคําถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกน้ําเจ้าค่ะในขณะที่ยังภาวนาไม่สําเร็จเราควรทําบุญไปเรื่อยๆก่อนใช่ไหมคะก็ต้องทําบุญไปทําทานรักษาศีลไปแล้วก็ภาวนาไปด้วยอย่าทําอย่างเดียวทาอย่างเดียวมันจะ ไม่ครบสมบูรณ์ต้องแต่ถ้ายังทําไม่ได้มากก็ทําเท่าที่เราทําได้ไปก่อนคําถามจากคุณมอนลี่เจ้าค่ะด้วยความเคารพเจ้าค่ะขอคําชี้แนะจากพระอาจารย์ในเรื่องการสวดมนต์ในบทที่ต้องตั้งนโมสามจบหากต้องสวดหลายโบทติดต่อกันจะต้องตั้งนโมสามจบใหม่ในการสวด สวดบทต่อไปหรือไม่เจ้าคะอ๋อไม่ต้องเราตั้งหนเดียวก็พอก่อนเริ่มต้นเริ่มต้นจะสวดมอนก็ตั้งน้ำโมเป็นการแสดงความนอบน้อมต่อพระพุทธเจ้าเท่านั้นเองหลังจากนั้นก็จะสวดกี่บทก็ได้ไม่ต้องน้ำโมทุกบทนะ คำถามจากคุณพิตตาศูนย์เจ็ดเจ้าค่ะถ้าเวลาปฏิบัติธรรมต้องตัดขาดจากข่าวสารบ้านเมืองหรือปิดหูปิดตาจากเรื่องราวภายนอกให้มากที่สุดใช่ไหมคะเออต้องปิดหมดปิดทั้งตาหูจมูกลิ้นกายไม่ไปรับรู้เรื่องราวต่างๆเพราะเรื่องราวต่างๆจะมาทําให้ใจเราคิดฟุ้งซ่านแล้วจะทําให้ไม่สามารถทําใจให้สงบได้พอไ ม, ไม่รับรู้เรื่องราวต่างๆใจก็จะไม่คิดฟุ้งซ่านใจก็จะสงบได้ คำถามจากผู้ฝากถามเจ้าค่ะขอความเมตตาเจ้าค่ะทุกครั้งที่นั่งสมาธิจะรู้สึกว่าง่วงนอนมากและจะหลับแบบไม่รู้ตัวส่วนหนึ่งก็เพราะว่าเรากินอาหารมากเกินไปผู้ที่อยากจะปฏิบัติธรรมนี้ต้องถือศีลแปดคือกินให้น้อยเอาแค่เที่ยงวันก็พอ ถ้าถ้ายังง่วงอยู่เวลานั่งสมาธิก็อย่าเพิ่งนั่งให้ลุกขึ้นมาเดินเดินสมาธิแทนแทนที่จะนั่งสมาธิก็เดินสมาธิเดินจงกรมเรียกว่าเดินสมาธิเดินไปเดินไปพุโทโธไปจนกว่าจะไม่รู้สึกง่วงแล้วค่อยกลับมานั่งสมาธิใหม่วันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา